การเจริญสตินั้นเราทำเพื่อการศึกษาไม่ได้ทงเพื่อการเอาผลถ้าคิดว่าเราทำาเพื่อการเอาผลแล้วมันผิดเพราะทาเพื่อการเอาผลนั่นเป็นเรื่องของทางโลคิยธรรมไม่ใช่โลกุตรธรรมแต่โลกุตรธรรมมันมั น, ม, นมันเหมือนกับลูกกับน้มอะลูกสัมผัสได้แต่น้ำสัมผัสไม่ได้เลยเพราะนั้นลักษณะการศึกษาก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติ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 เป็นสมุทยัยเพราะนั้นในส่วนที่เป็นโลกิยะจะต้องเป็นคู่แต่เมื่อใดมันตัดถูกเหลือเดียวเหลือศูนย์หรือเหลือหนึ่งหรือศูนย์มันไม่มีคู่ถ้ามีหนึ่งก็ต้องมีสองแต่ถ้ามันมีถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันมไม่เปนหนึ่งไม่เปสองมันหมดมีพุทธภาษิตบทหนึ่งหน้าคิดทีเดียวในว่าด้วยเรื่องจิตว่า ปัมมานังหิตังจิตังปริปุนังสุภาวิตังปัมมานังกตังก ม, มังตตราวิสิสติหนตังตัตตาณวิสิสติบุทธวจุดนนี้แปลว่าจิตที่อบรมดีแล้วเป็นจิตที่หาประมาณไม่ได้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 เหมือนกันการเคลื่อนหนักการหยุดเบาเปรียบเสมือนคนหาบของบวแบกของเขาก็จะหนักแต่เมื่อไรเขาหยุดโดยที่ไม่เอาของลงจากบา่าหยุดก็จะหนักกว่าเคลื่อนใช่ไหมหยุดแล้วต้องเอาของลงจากบาดด้วยมันถึงจะเบาหยุดนั้นถึงจะเบาอ๋อทีนี้ได้เอาของลงจากบาดได้ไงลองดู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 เพราะใช้อำนาจบังคับเอาแต่ผลออกมาไม่ไม่ยั่งยืนแต่วิพัฒนาถ้าคนทำเป็นก็จะทำง่ายแต่คนทำไม่เป็นก็จะทำยาก อ, อยู่ที่นั่นด้วยเพราะนั้นต้องทำไปด้วยการที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านใจ้คำว่าไตรสิกขาศึกษาเรื่องกายเรื่องวิสีนศึกษาเรื่องจิตเรื่อสมาธิ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 ในกายเรามีท่าสี่อาการสามพิสองแล้วก็รูปสี่รูปยี่สิบสี่เรื่องกายรูปประธานมหาภูตรูปสี่อุปฐายรูปยี่สิบสี่ก็ต้องดูเข้าไปให้ละเอียดศึกษาเวทนาทั้งเวทนาสามเวทนาเก้าก็ศึกษามาลงไปศึกษาจิตทั้งจิตสามทั้งจิตสิบหกก็ศึกษาลงไป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 โดยอาศัยการหนักและการเบาการเกิดและการดับเป็นหลักนณตอนนี้เราก็เดินเข้าสู่สถานที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งช่วงที่นั่งขณะนี้หนักหรือเบาหนักใช่ไมนั่นลองลุกขึ้นดูความหนักหายไปได้ไงความหนักเมื่อกี้ยังเหลืออยู่หรือกลายเป็นศูนย์ะเรามาก็ค่อยคลายไปจากสิบเก้าแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ศูนยใช่ไหม แต่พอเรานั่งลงอีกทีหนึ่งเป็นไงเริ่มจากศูนย์มาเป็นหนึ่งสองามเสียขังเก็บไปเก้าสิก็สลับปัญญูอย่างเนี้ยทีนี้เราจะต้องสังเกตขึ้นสังเกตลงว่าจาก9้าลงมาเป็นศนย์ได้ยังไงจากศูนย์ลงไปเป็นสิได้ยังไงนสังเกตกลับไปกลับมาอยู่อย่างงี้แหละแล้วเราจะรู้ถึงสามขั้นรู้ทั้งศีลรูทั้งสมาธิรูทั้งปัญญาทั้งหมดเลยแต่มันจะสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันแต่เราเราจเจริญมรรคตัวนี้ไว้ก่อน